ตอนที่สิบวักที่หกปัญหาที่สิทธถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ร่วงแ้วได้ข้าแต่พระนาเกษมบุคคลระลึกถึงสิ่งที่ร่วงไปนานแล้วได้ด้วยอะไรได้ด้วยสติขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ร่วงไปนานแล้วนั้นบุคคลระลึกได้ด้วยจิตต่างหากไม่ใช่ระลึกได้ด้วยสติ ขอถวายพระพรมหาบพิธทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แล้วระลึกไม่ได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรในเวลานั้นพระองค์ไม่มีจิตหรือจิตมีแต่เวลานั้นสติไม่มีถ้าอย่างนั้นขอมหาบพิธจงเข้าพระทัยเถิดว่าบุคคลระลึกได้ด้วยสติไม่ใช่ระลึกได้ด้วยจิต ถูกดีแล้วพระนาคเษนปัญหาที่สิบเอ็ดถามถึงผู้มีสติค้าแต่พระนาคเษนสติทั้งหลายย่อมเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งจาพวกเดียวหรือว่าเกิดแก่กระดุมพีด้วยขอถวายพระพรเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งด้วยเกิดแก่กระดุมพีด้วย แต่โยมมีความเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นสติทั้งหลายเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งจำพวกเดียวไม่ได้เกิดแก่กระดุมพีเลยขอถวายพระพรถ้ากระดุมพีไม่มีสติสิ่งที่ควรทำในเรื่องศิละปะการงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไม่มีพวกอาจารย์ก็ต้องไม่มีประโยชน์แต่เพราะกระดุมพีมีสติ จึงมีสิ่งที่ควรทำในเรื่องศิลปะการงานวิชาการพวกอาจารย์จึงมีประโยชน์กล่าวถูกแล้วพอผู้เป็นเจ้าจบวักที่หก